น, น้นำธาตน้นำศีลน้ำพระวารน้ำพระพุะทธศาสนาบูช์อยู่บุญมันกับพระใช่ยกขึ้นเขามั่นกับบวกบุญขึ้นยกเสมอผู้วันนี้นับถือพระพุทธศาสนาอารมณ์ของเขามื่อกบวกบาปยิ่งไมมีกระเวนเงินขึ้นเขาไปนึกไปทังบาปเลเป็นอาหารของกิ๊กของใจ่เขาของไผ่ของมันขันบุญมันยังว่าท่านพ่อบุญมันจะไปเต็มยุพระอาณาค้าไม่เลน ชวนพระอรหารผลเจา้าคฤหิหนึ่งกับบาปเนีบุญไปยังเมื่ท่านถึงพระอานาค้าไม่ย่มใหญเมื่อกระต้องในสางบุญในี่ยนั้นัน่งอ๋อจ้ะชวนพระโคตเจ้านี่ยผู้พ้นเป็นพระอรหันตเนี่ยพระบริษัาสางบุญเนี่ยแหละเพื่อทําประโยชน์ผู้อื่ น, นล้วนเแ่าเนี่ยขวดทั้งประโยชน์เจ้าของเท่าขวดทั้งประโยชน์ผู้อื่นจงทําประโยชน์ตนและผู้ อ, อื่นให้ถึงข้อควาอมด้วยความไม่ประมาทเ ถ, ถิดเลย พระวาจากใกษาก็ข้าสอนของพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติเป็นพระมสมบัติเป็นญาพานสมบัติแล้วอาจารย์ได้ไหนเสียบ้าเหนือพระพุทธเจ้าไปมันเสียไหมบอกในใจโลกนะถาสอนมัดด้ว ย, ยมัดล่ะวู้ฮ้าถ้ไม่จะเอาคำสอนของเพื่นมาเลี่ยมกลางเลยสิยงเช็ษ ยืมรพย์เศรษฐีมากงค่ามูเฮ้านั่นมูเฮ้าเป็นพระราษฎรแล้วเมืนีครับเดี๋ยทรงทั้งทุนทั้งกำไรถ้าณวัดศีลวัดพระาหารหนตวัดอนเนจเต็มบริบูรณ์แล้วก็จ้างสีบวท่านเป็นนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เดี๋ยวนี้มูเฮ้าก็เป็นนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่แล้วก็เป็นนี้จะคลอง อ, งองีก การไส้นีจะคล้องมัดกับไส้นีเพราะพระพระธาตุมาสองมัดละการมูเฮ้าบอม่กิเลสเขาเรียกว่าไส้นีจะค้องมัดกันเรียกว่าใส้นีพระพุทธพระธาตุมาสองมดอีกคกันการไส้หนีจะคลองกับใส้นีเพรมันมดที่กันจะว่าจากไหนอย่งถ้าเราเห็นโลดเห็นโทษได้โลดได้โกรธได้หลงเห็นจากไหนมูเฮ้าจังิระได้เขาเห็นโทษไน้โลดได้โกรธได้หลง เข้ายังเสศษละได้ทิมเบมลงไปเดียวแล้วบอหานี่ยนา่งพ่าหน้ายากละนี่มันบทีมบอเห็นโทษก็เข้ามู่เข้าเฉลอะเมื่อใดเนี่เข้าเห็นโทษในลุมทานเพิ่งเข้ากันยังไม่ได้ทัิน้ำเนี่ยกัังไม่ได้ทําทาทําทางเว้นเนี่เห็นเจ้บ่ไปเพื่อได้ปัจจุกเต้นความวนกันเต้นเพราอขวามได้กแล้วก็ความได้กับบืนขึ้นมาหมดล่ะ สูงขึ้นมากเลยล่ะบ่ร้งอันนี้เทาบา่เห็นโทษคักอันนี้เท่ากะละบ่ได้เลยเทาเห็นโทษทา้งกีดขานเท่าจังสีมันได้เทาเห็นโทษเทั้งขวบโกดเท่าจังสีละได้เทาบ่เห็นโทษเท่ากะละบ่ได้ว่ามันพ่อแซบพ่อแซพพ่อนัวอยู่พ่อใส่พ่อสอยอยู่กันหลงว่าเป็นของมันของเทียงเท่ากันเท่าบ่เห็นโทษมันเท่ากับวาหลงอยู่สําเต้ า, า, าละ หลงว่าเป็นของสวยของง่ามเื่ากันท่านเท่าเรเห็นโทษความหลงห้าวห้าก็มาหลงเื่ากันล่ะหลงเป็นของทุกข์หลงว่าหลงว่าเป็นของสุกมั่นสาสตร์ภพหลงว่าเป็นของสุกก็สันท่นเท่าเราหลงว่ามันเป็นของสุขก็สันท่นเท่ากัสิทิมหน้าทิมสร้างยังเบ็บบาดเดียวจอดหได้ยนินญหอดเสียงหอดดังหมดอันขั้วมหลงทั้งหลายมันศิลละไปได้กับพราะสติ ป, ปัญญาของเท่าแ ก, ก่กามันจังศิลละได้ สติปัญญาของเข้าเขามันต่ำก็ครอบโลภต่ํ า, าก็ครอมโกรธต่ํ า, าก็ครอบหลงอเห็นอย่งไรมันศีละศีสนะได้ศีละได้ศีเว้นได้เขาเห็นโทษในลุมทานเพิ่งเขาเห็นโทษในลุมหมูล้มพูดดยู่ไฟปัดชุกเขากับไฟไปไฟดืงแดแค้นไปเขากับฟืดขึ้น ข้าวเห็นโทษเนี่ยเกิดในแก่เนีก็บเนตายในวัฏสงสารีส่นข้าก็จังสิเว่นได้ละได้ดขาวโเห็นโทษข้าีรได้เว่นได้อย่างไรว่าก็ว่าื่อเนี่ยปากปาก็เสืเนี่ขาเห็นโทษว่าสักคนละร่างกายเนี่เป็นของเปลอยของเนาเอริ้าจังสิยุตกำนัดราคาได้เนี่าเห็นว่ามันยังสวยอยู่ยังหลงหนังอยู่เห็นจังไรสิพาวนาปันได้ กดไปเฉยๆเนี่ยเมื่อก่อนนึกถ่านเศ้าออกจากภรวนามาแล้วเมืกก่อกลุ่มกเคยเกาหันเนี่ยให้บอกสันว่าอันนี้เป็นานาควัญคิดพระวนาไปว่าพระวนาทําทให้เกิดใต่ไม่ทึงสมรรถและวิปัสสนาละยุดยูหันยุดอยู่เห็นอย่างยุดอยู่เพื่อให้เห็นความประมันบิเทียงกันเองละ เค็ดใจหายยุดอยู่สั่้าแรนเบิกงมันบวเห็นเนียเทาเค็ดใจนิ่งอยู่มันจังเห็นควอมบวมหนบวเทียงทำไมมันกำลังมันกถอนออกว่าว่านอันนั่นหล ะ, ะเรียกว่ามันบวมหันบวเทียงผุ้โชคผโชคโชคโชไปแล้วก็ถ้า่าเยเจ็บกําตำรวมห้าใจเขาออกเขาไปมมตดจันรั่นก็มี่ ถ้าท่านเห็นว่าลรมากระทบปึ้งแปงปึ้งแปงปึ้งแปงอยู่ะถ้อภายในก็ยังถอนออกมาอยู่อันบังกระทบกับครบครับับคับมันก็เป็นอนิจจังอยู่กัเขาคือข้อบุญนิกรรมว่าพุทโธพุทโธอันควบบุิกรรมว่ามันก็เป็นความเกิดดับอยู่ในข้อบุญนิกรรมพุทโธพุทโธนิ่งหมือจะพุทธขันสายโทษขันสายมันก็พุทธขันนีโทษขันนีเห็นความเกิดดับอยู่แต่คุณพระคุณพระธรรมาสงฆ์มาได้เกิดได้ดับไปไดนได้หระมันื่เกิดดับด้ควบนึกควาบคิดเท่านี้ ถ้าเอาลงนังกับว่าไม่แนหลงเอาลงนังว่ามันสวย้านง่ามนเอากรลงอันอืึนกนกานละเอาลงนังว่าม wow <pinpoint> <men> ันเป็นของมันห้องเตียงมันแก่เอากรงอันอ่นก็กันนั่งหอยูงแต่รอดไงอันอึนอืนกันารดเนื้อไปใช้กับม่ไดงเงินเก่าเด้อ่ว่ามีเงินใหม่เนึกไปใช้กับม่ไดงเงินเก่าว่ามีเงินใหม่ที่ห่างนึกแี่ห่างคิดหงไม่ของเก่า อาล้มก็ไปน้ำตาก็ไปน้ำหูไปไปน้ำจมูกไปน้ำเล่นไปน้ำกายไปน้ำใจการใจดวงเดียวเนี่ยกันึกอยู่นี่เมื่อแล้วเป็นยักเทียนเนี่ยตายค่าเนืค่าคิดคนเฮาตายค่าความอยากพอมันพานอีมพอมาเห็นไล่นไปโลกธาตุนี่เตร็มไปด้วยเน่ยเนี่ยประมันว่ตเทียงเยอไปทางไหนก็นได้ ยึดใจมันเพิ่นมันก็ไมีเบรกดูขึ้นเ่ามันเพิ่นว่ามีเบรกนี่กยเพราะมันบอเห็นข้อบอมันบ่เที่ยงเห็นที่ท่านจึงพี่แกหน้าตามเป็นจริงไหวว่าให้มันหลงไปมันหลงว่าเป็นของมันของเที่ยงการที่อยากให้มันหลงถ้ามันพี่แกหน้าตามเป็นจริงแล้วตอนนี้มันก็่นลงเพา่มันพี่แกหน้ามาคุ้นพระคุณพระธรรมประสงค์ป็นของมีเยอะมันก็ไม่ขึ้นกันมันกับว่าอัตขันยุ่มมันมันกับว่าสาคัญตัวมัน เป็นนีเฮาเท่านั้ก็เป็นนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นพระอนณาค่าไม่ใส่นี้เกือบเมื่อพระรามใส่นี้จะคล้องกับมด่ใส่นี้พระพุทธเจ้ากับเมื่อเฮานี่ทคันขีเหร่ยั่งร้ายก็เป็นนี้จะคล้องร้ายคันโลคยั่งจัดก็เป็นนี้จะคล้องร้ายกันโกรดยั่งจัดก็เป็นนี้จะคล้องร้ายก็หลงหลงคามันบ่หลงมันกับประหลบมันบ่หลงมันกับปะโกรดมันหลงความคง้องมันอะกวามันถิมาหลบมาโกรดมาหลงอย่างไรวาตามท้องสารน่ย มันบมหลงว่ามันของมันมันโมหลงว่ามันของผู้อื่นก็มีได้สังขารใน้ความทุกข์สิโลกโกรธหลงมันกัเบาไปหลายหนว่าเลยเบาไปหลายเติบมันกัะสําคัญของมันมันกัสําคัญของผู้อื่นมันยังอยากเอาชนะผู้อื่นยุ่นที่ฮะเนี่ยชนะมันมันจะบ่าอยากชนะมั่นเีนี้มันอยากไปชนะผ่านออกมันอยากชนะแต่ผู้อื่นอย่างเงี้อยากแข่งแต่ผู้อื่นผลเมื่อแข่งจากของเมื่อแข่งครับที่เดียจากของเนี่ยมูอห้องก็มันเสียผล กิเลสกูมันม่เทไรกูเกษีเอาปัญญาออกตรสูบันทนันมูเฮ้าบด้วาเนคิดว่าแต่เสียเอาชนะผู้อื่นเห็นไหมสันมูเฮ้าจริงมาเศ้าง่ายจังมวดนอนาทั้งกล้ยเยอะนะเมื่อนี้เห็นบอกเป็นของไปง้าเป็นของพนงายกูผู้เฮาปัญญาบบนเหนือความหลงจะคของผู้พฮปัญญาเนือความหลงจะคของพันกับพ้นง่าย ทองเที่ยวในวัดตาชงสารผู้ออกจากวัดตาชงสารมันผลาญมูอห่อทองเที่ยวมือห่อออกประเทศนอกก็ได้ไปประเทศอินเดียกันยังมันประเทศเกิดแก่เก็บตายอยู่สาเก้าหัน่ะไปประเทศอเมริกากับมันประเทศเกิดแก่เก็บตายอยู่คือเก้านะ่ะส่วนผู้คนพ้นไปแล้วพ้นไมีแก่ไม่แก็บไ ม, ม่ตายแต่พ้นออกนอกประเทศเตี้ยประเทศเก็บประเทศตายไปแล้ว ประเทศโลภ ป, ประเทศโกรประเทศหลงพ้นก็ไปแล้วออกแล้วว้าวติดนี่แหลประเทศโลภ ป, นะ ป, ป, ประเทศโกรธประเทศหลงอยู่นีนะ้กินแล้วขี่เพาพี่จะเคื่อร์พันวนว่าออกไปใส้กระบาถือถือเจ้าของเนี่ยว่าเพื่นเกิดแก้เก็บจ่ายอะไรก็มาเถิกเจ้าของอ่ะกับพวกผู้ได้ครเพื่อนกระตากเนี่ย มันเกิดมันแก่มันเยอะมันตายมันกักกัตากออกมาแล้วมันเป็นทุกข์มันกักตากออกมาตัวถามมาโตโกรกโตโกรดโตร้องมันฝ่ายถ้านผู้ว่าผู้นึกผู้ฟังนู่นนี่คำว่านพนที่ประหาไสเอ็ดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ประหาไสยังสืพ่อค่พระหาอยู่ในใจอ่ะหันใจรับถือกับพ่ออันตัวใจว่านับถือกับพระพ่อเห็นก็เห็นในใจอ่ะ เห็นว่าพ้นพระธรรมประสงค์ขันนี้ยุยใจก็เห็นยุยใจขันว่ามี่ยุยใจใจว่านับถือจะไปหาใสาเป็นจังทีเหนนน็นนั่งอันนี้เป็นหน้าที่สิถามมหาเจ้าของโลกกดหลงกับมันผู้เจ้าของตัวเป็นผู้วา่าผู้บัญญัติขึ้นเมื่อโลก โ, โกดผัวหลงกับมันเจ้าของตัเป็นผู้บัญญัติขึ้นแต่มันใจแต่มาค่าใจผู้เดียวนเี่ย เห็นกับมันใจเป็นผู้เห็นผู้ผูเห็นกับมันใจเป็นผู้ผูเห็นอืคนตายมันก็มีใจอยู่หันโลกกับมันใจเป็นผู้สร้างขึ้นโกรธกับมันใจเป็นผู้สร้างขึ้นหลงก็บมันใจผู้สร้างขึ้นผู้ชีรูดเท่ากับมันใจเป็นผู้ชีรูดเท่าผู้ีิบวารูษเท่ากับมันใจอันเดียวไม่ผู้อื่นสิมญาติเทศบอกท่านผู้สมมุดว่าได้กับมันใจเป็นผู้สมุด ผู้สมุดวาสีกับมันใจเป็นผู้สมุดนะตกลงหรือมากออ่องกุ้ยไก่อางาคือความดีความซัวความโง่กับมากรองกุ้ยไก่ใจว่าโง่ใจผีตัวได้ว่าโง่ใจว่าสลับใจผีตัวไหนว่าสลาบบอกล้องหันรับทัง้งเอื่มทั้งอ๋อบัองออบยังเหตุใดบาปกับบันใจเป็นผู้รับเพลทแล้วบุญกับมันใจเป็นผู้รับเพลแล้ว คนตายเพระาะงจักดินฝ่าอากาศมันเพระาะงจักบาปบุญคนโทษอีกย่างเลยมันเพรจาจักเด็นหอน่อนอ้อนแข็งอีกย่างปัญหามมันมึงรู้ดินนนาไฟร่มทางนอกมันกบะบบหจงจักอีกอย่างท้าไปท้ามากอะเด่นมังงูกินหางหองเก่าอันเนี้ยเด่นมวยครับเจ้าของของเก่าสมมุติว่าได้กับมันเจ้าของสมมุติว่าเสียกับมันเจ้าของคือใจนี่ เพรัสันพระพุทธเจ้าเรียกวัิเธว่าสัพเพธรรมะอนัตติติทัสนท่ามไฟเกิดไฟดับก็เป็นเกิดเป็นดับอยู่เพรทัสันท่าไฟมาเกิดมาดับก็เป็นท่ามันมาเกิดมาดับอยู่เพรัสันไม่ใช่เพรเป็นเจ้าของพระนี่ยานกับพระเนวะทีปล่อยเว้นเส้นแชงเพื่อไรเนี่ยมู้โตมีโรกไม่โกรธไม่หลงอยู่แล้วบระเนวะหาเหาจากยาหลอกพระนิพย่านก็บพระเน นนโตนเป็นคนโลภคนโกรธคนห ล, นลงเเดี๋ยวนี้สังขารก็บบริวารผู้ขานี่แล้วเป็นสังขารพระมูเจ้าพีน่น้องเกิดแก่เก็บตายโลภโลกรธหลงก็นี่สังขารกับได้วา่าตกกลง้งแก่มันฆ่าผู้เจา้าผู้เดียวมัดผู้ใดใครกับผู้นัน้นกรตากโอ้ยเบื่อเนี่ยพาะว่า โอ้ยเกี่ยนทุกได้เพราะว่ากับผู้เป็นทุกข์ตัวบนโอ้ยว่เป็นทุกข์หอกนล้วสังขารมันผู้เก่าเป็นผัวว่ามืดไม่มีผู้ใดมาว่าเคลียร์ไม่ได้ใจดวงนหม่มาโอ้ยดีใจได้เพราะว่าเนี่นังมือเหาถ้าว่าใดใจไม่ว่าจะใส่มาดีโอ้ยเสียใจได้เพราะว่ามูอเหาถ้าวันใจมันเสียไปใสอันผูวว่าเสียใจกับมันใจเป็นผัวว่าผูวว่าดีใจกับมันใจเป็นผัวว่ามัน ผัวห่อนเนี่เขาไม่ใจผัวาัวหนาวเนี่เขาไม่ใจผัวเนี่ยพ้ไหนมายัดวาเนี่ยพื้นไหมายได้ดยัดเสียนำเนี่โอ้ยตายเนี่ยผัวผู้ใจผัวโอ้ยเกิดเน้วใจกับนเม่นผู้ใจเน่เป็นผัวมู้บผว่ากับมันใจระวากับมันใจจิ่นเชไผกับอะไร นอนได้นาวได้เห็นได้อุ่นได้แสบได้นวดได้เป็นว่าใจเป็นผัวโอ้ยดีใจได้ใจกัเป็นผัวโอ้ยเสียใจได้ใจกับผัวว่าไปว่ามาตรงกินปูนตรงออกคอนท่อเมืก่กล่าวค่าอายุใจนี่แหละเห็นฉันนั้นพระพุทธเจ้าจังว่าใจนี่ก็เป็นสักว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกิจตาลวัชนา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 เวทนานี้ก็สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงเวทนาลูกพัน์นาเท่านั้นพิจารณาทำที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่บังเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าทำนี้ก็สักว่าทำไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรรมานุพัน์นาปัจจุบันก็เป็นแต่สักว่าปัจจุบันไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขา เป็นเพียงปัจจุปันาอนันตาอดีตก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงอดีตเรียกว่าอดีตก็เป็นอนันตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ไม่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอนาคตก็เหมือนกันเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พี่นณาลงสู่อนันตธรรมว่าเม็นสัตว์ว่าเป็นบุคคลหอกว่าสั่ง บอสมมุติว่าปล่อยว่างก็ได้ขันเมื่อรู้เท่ามันมันปล่อยเองมันมาว่างเองมันขันรู้เท่ามันกับ่ปล่อยมาว่างเองขันรู้เท่าแล้วก็ว่างสติปฏิวัติว่าทีว่างยังไรขันรู้เท่าเอาว่ามันสัดว่ามันบุคลิขิตมันก็ว่างเองมันนี่นี่ท่ามทั้งหลายไผ่เป็นเจ้าของมันตาหูจมูเล่นกายใจไผเป็นเจ้าของมันไม่มีผู้เป็นเจ้าของเด้่ยเดี่ยเนี้ ตาเป็นแค่สักว่า geliyor, ตาหูเป็นแค่สักว่าหูเล่นเป็นแค่สักว่าเล่นกายเป็นแค่สักว่ากายใจเป็นแค่สักว่าใจนี่มันว่ามันสัตว์ว่ามันบ uh uh ุคคลพระพุทธเจ้าสอนธรรมะสันสูงสรมมะสันตันก็สอนใจนะฮะหาใจพระทิประพฤติดีพันใจว่าประพฤติดีใจพิสตัวได้มาประพฤติดีภาวนาสั่นพันใจว่าประพฤต์ชั่วใจพิสตัวได้มาประพฤต์ชั่วสั่นควม ผลของควมจั่วไปหาไฝสันไปหาไจอปกมาค่ะผลควบควดีก็ไปหาผู้ใสก็ไปหาใจไม่ได้ไปห า, าบน อ, อื่นบเ่ได้อื่นมากผู้ขาเฮ็ดดีแล้วควมดีจังมากเนอผู้ขายจับไฝแ้วควมห่อนแย่มากเลยอก็ บ, บ่ได้อื่นเนี่ยทเท่าเวนน้นกันมันก็ยังไ่ห่อนเนี่ยเท่าเท่าเว้นเาบด้จับเดียรนี้เทาบด้หอนเนี่ ย, าา ย, าาออยไฝเนี่ยเท่าบรไเ้ียโกรธเท่ากับาห่อนเนี่ยเนี่ยเท่านยยุยซื่อเทาบริเนี่ยลบเนยโกรธบริ ผู้ใดสร้างผู้ถ้ า, ขาห้าว็าบอกแคนห่อนเดียวนี่ยผู้ห้าว น, นี่ขึ้นมากเปนเดี่ยวนี้ยูกขันห้าวบูงห้าวบ่ห่อนนั่นชมเสือมามังูกเอ้ยผู้นั้นกเป็นตาสร้างยั ง, งี่ผู้นี้ก็เป็นตาสร้างสี่ก็บอปลูงแจงเขีมังลูกขันบดมันบดขันมังม่นหนักไก่รอดขันยุติสีว่าเสือ ย, ย, ยุืิสีแล้บรรลนแก่วาสันบออุเบกขากัปสติเป็นถ้ำทํารอันอวิษ่าอันคว่มบารูกแก่งหลพุทธเจา้าพันวาคว่ำวางเสยจส้าซิงทักปวกนั่นเอง พระพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นทำทำา้ายอาวิชาข้อมงออะไรถ้าไปเคี่ยวเรดเอือง ม, มั่งลูกพูดอ่กนกว่าสั้นให้กูพูดอ่านกว่าชี้ไอ้กูไปนอนพิกหนาพิกล้ำมังลูกันบระห่อนขึ้นข <c oughs> ้อตัวสางขึ้นข้อมห่อนก็ได้เรียกว่าอนัตตาห้อ น, อ น, นเอาอนัตตาบาห่อนใช่อัติยตอโนาโศจตเป็นเพืกของตน เอาควบดีเป็นที่พึ่งของตนเอาควบชัวออกอนัตตาชัวไ้เว้นอนัตตาดีไ้สางเขินอันบัมบัดซับบัมบันบุคคลก็ไม่ข้อหมายอันเดียวกันแวชิว่าอนัตตาอนัตตาปัณณ์ไงกร้างท่านมีโลมีโกรธมีหลงอยู่น่มันมันก็ควบเก่าแล้วแหละท่านว่าท่านเห็นโลหเห็นโทษโลหโกรธหลงมันตะควบเก่าแล้วแหละกระท่วงนื่น เตือนท่วงกับบ้วงหัดข้อยื่สเกลว์นะ่ะคัดเคียดกระเครียดให้เจ้าของน่กะก็เป็นน้ำกูนี่ละ่ะหล ง, ล ง, ลงโกรหลงโกรธหลงหลงกูจ้างได้มาทองเทีย่ยวโยงสิกะหัดมาหลังสันกะ ก, กะเบาไปแล้วหะเกเรมหมูหองก็นไปเตือนเสียมากน่ะเปเชียตีตะพุ่ยเป็นชนะ น, นั่งหัดชามีเจ้าของบติ คนตีผู้อื่นเนี่ิจงเขาก็ะแทบแม่นมานอนกระลับแม่นมาอาการกรดีแม่นมาต่างคนต่างตีจะคล้องเข่าแล้วในโรกอันนี้การทะเลาะเบาแยงมันสามาได้ะใสกูพอดีตอนไหนกูก ต, ตีกูตอนนั้นคล้องแม่นมานาคนต่างกติเตศเอากันพระกติเตศเอาย่อมย่อมกติเทศเอาพระลูกชิดกติเตศเอาอาจารย์อาจารย์กติเทศเอาลูกชิด มอจักเป็นผู้ใดทีเป็นอาจารย์กันเอ่อกระวนผันใกล้ต่อตัวจจ้าบางว่าสิเจ้าเจ้าพระพุทธเจ้าแล้วเหนือโลกแล้วอันนั้นญาติเอาความเอาญาติเอาความพระพุทธเจ้ามามาเถียงกันตัวมโหมันมีกิเลสอยู่ออมัดไปแล้วมหหองเขาบัไเดียเถียง ว่าวัที่เฮียนเวส่าเค็ดลาบบนเค็ดลาบความโรคความโกรธความหลงจ้วเฮียบเวส่าเค็ดลาบความโรคโกรธหลงได้เดียวนะสันพทันธวกเชิดเฉ็ดท่านลาบเยอ่หลมย่างพ่อไรพสอยอยเ่ะแหลมตกโรคมันก็โกรธมันก็หลงนานแล้วจะว่าจยงไรมันพอเวลาโอบปนไดจะโกนอบเขามาใช้ใจเพ่อแล้วก็ไปใหยียบเพอเหยตัวได้ว่าเป็นพระราหันก่อนผู้ดังปีเงียบเปเงียบ กูเป็นพระ น, น, นันท์ไอ้หลีจังพระย่องบอกสั่นโลภ ก, กูกรมีโกรธกูกมี่หลง ก, กูกรมี่อยู่ก็จับไปรับระบ้เกับพระย่องอะไรอืมแล้วริบาย่องพอะไร ไ, ไหมอืมการเข้ากินเข่าอีมั้งเขาจะไปถามเพื่อนฉันบอกพวกขาอีมันม ก, กินเข้าเนี่เพราะว่าพวกขาเหงวกเขาอยู่กว่เหอกวัิว่าสั่นบอ ก็ไม่เท่ากับพรพทธองค์จักกันสมมุติในสันเท่ากะกกานเอาสมมุติในสันเท่ากับวิทยิือว่าสันเท่ากับสร้างสันว่เท่ากับตามใอรจะไม่เราโกดงถ้ามั่ความพระพุทธเจ้าก็ไม่บันทึกตัวอนาคตไม่เท่ากินได้อานณ์เลยอนาคตไม่เท่าสั้างได้อารณ์เลยเทาเมื่อย ไปไปตักหน้ามากวะันหน้ามันเขียนไปนี่มันหาลอยเหลี่ยมเน่ขอน่อยวะสันน้ามันคุนคณเน่สันคนบาคครกระตไปบางสก้อนมันจะฟาวคัดขาดหลายวาสันเล้วไปเบิ้งนา้าใสอัตชจจันไงนเอาไหา้พระอ ง, างาคาวพระองคเจขีดห น, น, น้นาฉันหออน้าหิ้วหน้าหิ้วคนกระใสคำว่าหิวเยอะเลยนะเพื่อนเพื่อนทางว่เอาโทษกระไผ เมื่อยินดีในเกิดวัตถิมาเกิดให้ยังเมื่อยินดีในแกมันถิมาแกให้ยังเมื่อยินดีในเก็บมัตถิมาเก็บให้ยังมันก็เข่าสู้พระพนานหมดนล้วเมื่อยินดีในตายวัตถิมาตายให้ยังคือเฮาเมื่อยินดีจากมาพูดจากกอเนี่คือมันได้มาบอกเฮากับเบมันได้มาเนี่ยเฮายินดีจากมาเฮากังได้มาตัวเฮายินดีในพระพนานเฮาก็บจะไปพระเนานมาสั่นตัวอื นะาเ า, า, ายินดีในว้อบัลลบโกรบัหลงเขาก็จะปหาคว้บลลบโกรบัคหลงแล้วบอกของสันวาพระทหารเพิ่นยินดีนี่นายมั้งพระว่าเพิ่นยินดีนี่บาปจะเทียเพื่อไรว่าเพิ่นยินดีนี่ทังเฮ็ดผิดจะเทืองั้จะไปเฮ็ดท่นงั้นไปเฮ็ดัเีว่าเพิ่นยินดีน ะ, า ท, ะานนะทา ง, ง, ทาจจางนมีเวนในไพ่ เมตชนันจึงลดตำแหน่งลงให้มีสินหามีสินหาเราก็ยเห็นหนทางละ่ะเห็นหนทางไปสูพ่พระนิพานะแต่วม่อท่านมีสินหาอยู่นะยังไม่เมาเลยยังไม่เห็นคั้กกว่านี้เห็นขั้วล่างๆมีสินหาบริบูบรณ์ว่าเท่าใดลงระเบิบดสินหาว่าเท่ายดลงระเมิ ด, บ ด, มดอบายย ม, มุกเห็นหนทางละ่ะ งีนห้องคี๊ๆแก๊กทีก่ว่ามันจะไป พ, พันยิ่พานวัดแต่บมวันไม่คิ้วมูห้าก็จะไปพันิพานที่กันละว้านถึงพระสวัสดิบาลย่งมอเหนมรันท่างัระยังมีงควา ม, มหวังดูมันทัพ์ทั้งหลายเกิดมาในโลกแก้มโรกเดือดชงสารเกิดมาด้วยกรรมของเจ้าของ ที่ะเขาชู้พนิพัทธ์บดชัดชุ่มนี่ยแต่หางพันไม่เชิ่ว่ามือนันมือนี่ชาวปัศดาบันไม่เชี่วมืออื้นมอยู่ไหมความว่าเกิดอีกสามนังมือต่อไปเรียกว่าเกิดอีกสองสาสเออสามสาสมือต่อไปสองสาสสามสาสนี่แนวไม่บมีตะแนวกาเนี่ยเกิดากอว่า ตาเนี่ยใส่ตาคลื่นเคล่นมา ก, กับใส่หูใส่จมูกใส่ทีนใส่กายใส่ใจนักคิดแั่นเบื่อกรเบื่ออันนี้แั่นเบือเบ่อกระเบือเบ่ออันอ น, อ น, อนี้กานพลนไปอย่างชตทั้งหลายทาไมจึงมีตาพราชอบยงังไงดูรูปไม่เบือ่อไม่นาชาตทั้งหลายทาไมเป็นเหตุทั้หจึงมีหูพราชอบฟังเสียงบ่เบื่อบ่นายาตทั้งหลายทาไมจึงมี จมูกเพราะชอบดมกินบเบือบเบ่อบเบื่อบานายทรัพย์ทั้งหลายทําไมเหตุทนหนจึงไม่เลี่นเพราะชอบลิ่มรถสันบเบื่อบานายทรัพย์ทั้งหลายเป็นยังจึงไม่กายเพราะชอบเดินหอนอ่อนแข็งมากระทบทัพย์ทั้งหลายทํําทาไมจึงไม่ใจทําไมจึงมีใจเพราะชอบนึกคิดไม่เบื่อไม่นายขันเบือใใ่อปานายจะไปขันคิดขันยัง คำว่าสั่นกับผู้พ้นพ้นพอแล้วคนยังจังยังเอาตามาใส่สมบรับต่ายางไปสำหรับมื่อนายตาเพื่อนายผู้ประยึดถือว่าตาหจะจมกเรียงกายใจเป็นตนเป็นตัวเป็นเล่าเป็นเขาเพื่อนให้เพื่อนายความหลงอันนั้นใส่ยุหังว่ให้หลงว่ให้หลงว่าเป็นเล่าเป็นเขาเป็นสาติเป็นบุคคลใส่โดยความจำเป็นในซื่อ ร่างกายใครใส่เราควา่ำจำเป็นนี่คือม้าจ่าใครใส่เราควา่ำจาเป็นนี่คือห้ถือว่าเป็นของหมันของเทียใจเกิดดับเป็นบ่ใจเกิดดับเป็นอยู่เกิดดับเร็วที่สุดใจจนติดกันเป็นพืชเห็นท่านสั่นพระเจ้าพ่ยืนยันว่าใจเป็นพระนธุพานาเป็นพันท่างเขาสู้พันธุพานเจ้าแล้วนมันเจ้านี่ยไม้ความมานะ่ำวางไง มันเกิดขึ้นห้องยึดถือเหมืนกันเศร้าขึ้เห้าวเนี่ยเล่าไปแล้วกระลวงไปขึ้กันนึกขึ้นมาแล้วกระลวงไปขึ้กันนี่อนไรตังค์มีจังแนวบ้างเดียวนี่ก็ใกล้ชีตายก็ว่างขึ้นห้าวหนึ่งเงี้ยงอัเก่ายับเก่ามีแต่แน่วยับเก่ายับเก่า หายใจเข่าออกกับมันหลอบเกาไปไล้หอกไม้มาจะไสเกิดแก้แค้ตายกับหลอบเกาบ่แม่หลอกไม่มาจะใส่กินแล้วทายออกกับว่ามันหลอกไม่หลอบเกาอ่ะชี้พระจอดเดินปื๊บปื๊บปืือูนี่ก็บว่าม kind of ันลอกไม่ก็หลอบเกาอ่ะพิเพียบตากับมันหลอกไม่หลอบเกา